ขยายความพระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่มหา้าหมวดที่หนึ่งจั ม, มะคันธกะหมวดว่าด้วยหนังพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนเขาคิด จ, จกูดไ ร, ร้กรงราชฤๅษพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมะคตทรงเรียกประชุมชาวบ้านจำนวนมากที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ได้ทรงทราบข่าวว่า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 ปิบัติตามก็ได้บรรลุพระอระหัตผลทรงอนุญาตรองเท้าใบไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นพระโสนโกลิวิสสะเป็นผู้สุขคูมารคือละเอียดอ่อนก็ทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าใบไม้ชั้นเดียวพระโสนเกียงว่าถ้าอนุญาตแก่สงเป็นส่วนรวม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 ส่งอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุที่เจ็บเท้าเท้าแตกหรือมีโรคที่เท้าใช้รองเท้าได้หจะขึ้นเตียงขึ้นตังก็ส่งอนุญาตให้ใช้รองเท้าได้เพื่อว่าล้างเท้าใหม่ๆน้ำที่ติดเท้าและผงต่างๆจะได้ไม่ทาให้เตียงต่างเสียหาย6ห้ามใช้รองเท้าไม้เพราะมีเสียงดัง7 ห้ามใช้รองเท้าทําด้วยใบตาลและใบไผ่เพราะพระเที่ยวขอให้เขาตัดต้นตาลและต้นไผ่ที่ยังรุ่นแห้ามใช้รองเท้าญ้าและรองเท้าใบไม้หลายชนิดตลอดจนรองเท้าทําด้วยเงินทองเพชรพลอยและโลหะต่างๆเพราะมัวยุ่งอยู่กับเรื่องรองเท้าไม่เป็นอันเล่าเรียนหรือประพฤติปฏิบัติเก้า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 พระโซนกุติกันนะโซนกุติกันนะอุบาสกใครจะบวชจึงไปหาพระมหากัจจานะขอให้ช่วยสงเคราะห์บวชให้ท่านเห็นว่าลัมบาที่จะประพฤติปฏิบัติจึงห้ามไว้ครั้งที่สองเมื่อขอบวชอีกและเห็นว่าตั้งใจแน่วแน่จึงบวชเป็นสามเณรให้และกว่าจะหาภิกษุประชุมครบสิบรูป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 จึงเก็บไว้ได้และถ้าจีวรประจำไม่มีก็ต้องอธิษฐานจีวรใหม่เป็นจีวรประจำ